รู้จักกามาสุขและเสบบริโภคอย่างมีปัญญาที่ทำให้เป็นอิสระเสรีความสุขมีหลากหลายสูงขึ้นไปตามลำดับขั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุ ถ, ถึงความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกาม และความสุขอย่างอื่นที่ประณีตยิ่งไปกว่านั้นแล้วจึงทรงยืนยันได้ว่าจะไม่ทรงเวียนกลับมหากรรมอีกแต่ถ้าพระองค์ยังไม่ทรงประสบความสุขที่ประณีตเ ช, ช่นนั้นแล้วก็จะไม่ทรงสามารถยืนยันได้ว่าพระองค์จะไม่ทรงเวียนกลับมหากรรมอีกพร้อมกันนั้นก็ได้ตรัสทํานองเตือนผู้ปฏิบัติธรรมให้ระลึกไว้ว่าถึงหากอริยสาวกจะมองเห็นอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญา ว่าการทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีทุกมากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้มากยิ่งนักแต่ถ้าอริยะสาวกนั้นยังไม่ประสบยังไม่รู้จักปีติและความสุขที่ไม่ต้องอาศัยการหรือความสุขที่ประนีดยิ่งไปกว่านั้นก็ยังวางใจไม่ได้ว่าเธอจะไม่วกเวียนกลับมาหาการอีกในธรรมนรเดียวกันนั้นได้ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายไปโดยจำพาะว่า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 พระพุทธศาสนาถือความสุขเป็นเรื่องสาคัญแล้วอยากให้ข้อสังเกตต่ตอไปอีกว่าการที่อริยสาวกละกามนั้นไม่ใช่เป็นเพราะกามไม่มีความสุขหรือเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นความสุขพระพุทธศาสนายอมรับความสุขตามที่เป็นจริงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรุความสุขและยอมรับว่ากามมีความสุขแต่อริยสาวกละกามเพราะเห็นว่ากามมีความสุขก็จริง แต่ยังปะปนด้วยทุกข์มากและข้อสำคัญก็คือยังมีความสุขอย่างอื่นที่สุขกว่าลึกซึ้งประณีตกว่าสุขที่เกิดจากกรามหรือความสุขที่เกิดจากการเสพเสวยรสอร่อยของโลกอย่างสามัญชนอริยสาวกละกามก็เพราะได้ประสบความสุขที่ประนีตกว่านั้นความข้อนี้แสดงว่าความสุขมีแตกต่างกันเป็นขั้นเป็นระดับสิ่งที่ควรศึกษาในตอนนี้ก็คือว่า พระพุทธศาสนาจัดแบ่งความสุขออกเป็นขั้นหรือระดับอย่างไรในคำพีอังคุตรนิกายทุกนิบาททรงจําแนกความสุขออกไปทั้งโดยประเภทและโดยระดับเป็นคู่ๆมากมายหลายคู่เช่นสุขของคฤรือหัดกับสุขของบรรปะชิตการมาสุขกับเนคขมมะสุขโลกิยสุขกับโลกุตรสุขสุขของพระอริยกับสุขของปุถุชนเป็นต้น แต่วิธีแบ่งที่เป็นลำดับขั้นชัดเจนละเอียดและดู ง, ง่ายไม่ซับซ้อนน่าจะได้แก่วิธีแบ่งเป็นสิขั้นหรือความสุขสิขั้นซึ่งมีไหนที่มาหลายแห่งแบ่งดังนี้ 1. กามสุขสุขเนื่องด้วยกามได้แก่ความสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยกามคุณห้าสองปฐมฌานสุขสุขเนื่องด้วยปฐมฌานซึ่งสังัดจากกาม และอากุศลธรรมทั้งหลายประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกกัตา 3. ทุติยชาณสุขสุขเนื่องด้วยทุติยชาญซึ่งประกอบด้วยปีติสุขและเอกกัตา 4. ตตัตยชาณสุขสุขเนื่องด้วย ต, ตัตยชาญซึ่งประกอบด้วยสุขและเอกกัตา 5. จะตุตชาณสุข สุขเนื่องด้วยจตุทะฌานซึ่งประกอบด้วยอุเบกขาและเอกกตา 6. อากาศสานัญจายตนะสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยอากาศสานัญจายตนะสมาบัตซึ่งล่วงพ้นรูปสัญญาได้โดยสิ้นเชิงปฏิฆสัญญาล่วงไปหมดไม่มนสิการนานัตสัญญานึกถึงแต่อากาศอันอันันเป็นอารมณ์ 7. วิญญาณัญจายตนะสมาปฏิสุข สุกเนื่องด้วยวิญญาณัญจายตนาสมาบัติซึ่งคำหนึ่งวิญญาณ์อนันต์เป็นอารมณ์ 8. อากินจัญญายตนาสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยอากินจัญญายตนาสมาบัติซึ่งคำหนึ่งภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ 9. เนวสัญญานาสัญญายตนาสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติ อันถึงภาวะที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 10. สัญญาเวทยิยตะนิโรธศสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยสัญญาเวทยิยตานิโรตสมาบัตอันถึงภาวะที่ดับสัญญาและเวทนาทั้งหมดถ้าจะจัดให้ย่อเข้าสุขสิบขั้นนี้รวมเข้าได้เป็นสามระดับคือหนึ่ง伽มาสุขสุขเนื่องด้วยม 2. อชาณสุขหรือสมาปฏิสุขหรืออัฏฐสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยชาญหรือสุขเนื่องด้วยสมาบัตร8แยกเป็นสองระดับย่อยคือ 2.1 สุขในรูปชาญหรือสุขเนื่องด้วยรูปชาญส 2.2 สุขในอรมูปชาญหรือสุขเนื่องด้วยอรูปชาญสความสุขระดับที่สาม นี่โรธสมาปฏิสุขสุขเนื่องด้วยนี่โรสมาบัตสุขทั้งสิบขั้นนี้ท่านยอมรับว่าเป็นความสุขทั้งนั้นหากแต่เป็นความสุขที่ดีกว่าประณีตลึกซึ้งยิ่งกว่ากันขึ้นไปตามลาดับขั้นเพราะความสุขขั้นตน้ตนๆมีส่วนเสียหรือแง่ที่เป็นทุกข์แทรกอยู่ได้มากเมื่อเป็นสุขขั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งประนีตบริสุทธิ์มากขึ้นท่านสอนให้มองความสุขเหล่านั้นตามความเป็นจริง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 เมื่อเห็นโทษของสุขที่หยาบก็จะนายหายติดและโน้มใจไปหาสุขที่ประนีตยิ่งกว่าเมื่อรู้จักและได้ประสบความสุขที่ประนีตประจักษ์กับตัวแล้วก็จะละความสุขที่หยาบกว่าเสียได้มุ่งบรรลุสุขที่ประนีตยิ่งขึ้นไปตามลําดับอย่างน้อยก็จะไม่มัวเมาหมกมุ่นในสุขที่หยาบนั้นจนเกินไปเมื่อใดจิตหลุดพ้นเด็ดขาดแล้วตัดเยื่อใยได้สิน้นก็จะไม่วกเวียนกลับมาหาความสุขที่หยาบอีกต่อไป คงสวยแต่สุขที่ประนีตสำหรับจิตที่เป็นอิสระอย่างเดียวข้อที่ว่านี้ก็เป็นลักษณะด้านหนึ่งของความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ในตอนต้นๆแล้วว่าผู้ได้สุขในฌานสมาบัติที่วกเวียนกลับมาหาการมสุขอีกมีตัวอย่างเป็นอันมากและหลายท่านได้สุขในฌานสมาบัติ